เอาวัดมาด้วยมันไปอเมริกาเป็นก่อนมีคนไทยมาจากอเมริกามาถึงมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเห็นทุกคนนะใส่หน้ากากบอกโ อ, โ อ, โอ้กลัวไม่เอาจะกลับแล้วเมืองไทยโรคระบาดมากแหมคนไทยเขาป้องกันดีเพราะว่าเราโรคระบาดเยอะไม่คีบคุยกับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียว บอกเขาว่ามีลาสิบห้านอาทิเข้าทำกันบ้านมะดีสิบห้านอาทิครูดได้ทั้งเยอ ะ, นะพวกเราบังคนส่งกันบ้านสิบนอาทิยังไม่มีเนื้อเลยนะคนเตรีย μ ณ์กันบ้านมะดีนะนใช้เวลาสั้นนิดเดียวพูดได้เยอะมากเลยคุยกันได้เป็นสิบเรื่องหน้ากลัวด้วยคนญี่ปุ่นเขาทำงานจริ ง, จงกวับเรา น่ากลัวพูดไทยได้ด้วยก่อน <g år> สงครามโลกนะคนไทยรากักคนญี่ปุ่นมากเลยเป็นหมอฟันมาทำงานทำอะไรค้าขายใจดี <c oughs> ประกอบรัฐญี่ปุ่น、uh、i, คิดหนึ่งเขาใส่เครื่องแบบเลยเขาถึงเป็นมหาอำนาจได้ <t> ถามหลวงพ่อว่าเมืองไทยเป็นชาวพุทธหรือคนไทยไม่เป็นหรอก ชาวพุทธแท้ๆมีหน้าที่คนที่ไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธก็คือไม่ได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเป็นแต่ชื่อชาวพุทธที่แท้จริงมีหน้าที่อะไรหน้าที่เรียนนะหน้าที่ศึกษาคนที่จบการศึกษาคือพระละหันทั้งถ้าไม่เรียนปริยัตยิก็ต้องเรียนปฏิบัติถ้าไม่เรียนไม่ใช่ชาวพุทธหรอกพยายามถามหลายเรื่องเรื่อง รัฐบาลส่งเสริมศาสนาพุทธไหมไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยตามข่าวมานานแล้วแต่นักการเมืองนะกับรัฐบุรุษน่ะไม่เหมือนกันรัฐบุรุษเขาจะมองอนาคตของประเทศชาตินักการเมืองจะมองอนาคตของผลประโยชน์รัฐบุรุษหายากมีการถามอีกทำไมท่านอาจารย์ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ <c oughs> บอกโอ้เราก็ไม่เชื่อนะกิเลสคนมันรุนแรงรัตติที่บอกเสียสละตัวเองทั้งหมดนะมันฝืนธรรมชาติมนุษย์มากเกินไปมันเป็นไปไม่ได้มันไปไม่ไหวดูเขาเตรียมเรื่องมาเยอะมากนะถามพวกเราต้องเอาอย่างเขาบ้างเวลาทำงานต้องทำจริงๆเวลาเรียนธรรมะ ก, ก็ต้องเรียนจริงๆ ของเราเล่นเกินไปเล่นหยอหยอใหญ่อ่อนแอรไม่ได้นะ、mm hmm. ต่อไปตรวจกันบ้านวันนี้วันที่สี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดนะพรุ่งนี้ไปเทศ、mm hmm. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตร อ, อูดมแต่เขาไม่ได้ให้คนนอกเข้าหรอกเขาจะบังครับเด็กมาเรียน、mm hmm. <laughs> เวรกรรมของเด็ก、mm hmm. อ่ะ หลวงพ่อคะวันนี้อยู่วัดวันสุดท้ายอะคะ่ะอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อคะ่ะก็ขยันเอาสิน ะ, ะรู้สึกกายรู้สึกใจการภาวนาจะมีอะไรก็มีเท่านั้นแหละรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นฝึกไปขาอบคุณค่ะมันเข้าใจเมื่อไหอไร่มันก็วางเมื่อนั้นอแหละนะขอการบ้านด้วยค่ะไปดูโมหะไว้โมหะเยอะโมหะโทสะนะการบ้านมีทั้งวันแหละไปดูเรื่อยๆดีเดี๋ยนี้ดูเป็นละดูออกไหม แต่โมหะเนี่ยยังเป็นกลางได้โทสะยังไม่ค่อยเป็นกลางนะไปดูเอาเออคือว่าเออเพลเยอะอยู่นะเพลแล้วมันบางบางทีก็ทีนี้อยู่อะเพ่งมากบางทีเพลแล้วมันแบบธรรมดานะเพลก็เพ่งอะธรรมดาคลอนบ้านนะครับหลวงพ่อเราไม่ห้ามมันหรอกเราก็แค่ดูว่าเออจิตตะกี้เพลจิตตะกี้รู้สึกจิตตะกี้เพ่งอะไรเงี้ยทั้งสามอันนั้นเสมอกัน ระหว่างเผลอไปรู้สึกเพง่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆล้วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่ฝึกเอารู้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อปฏิเสธการเผลอและการเพง่งแต่ถ้ารู้รู้ว่าเผลอ่ก็เกิดรู้ขึ้นมานถ้าเพ่งไว้รู้ว่าเพลง่งบางทีไม่หลุดออกมาเพราะเผลอเนี่ยเป็นอากุศลแต่เพลง่งบางทีเป็นกุศลนะจิตสงบจิตอะไรเงี้ยเป็นกุศลมีสติขึ้นมามันไม่จำเป็นต้องดับ ก็แค่ดูไปทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแล้วไงอีกมีอะไรอีกไหมนี่กรอบดูแลลานทำอยู่ใช่ไหมตอนนี้ดีค่อยไม่ค่อยทะเลาะ ก, กันค่อยชั่วหน่อยมียมยเยอะหรอือ <c oughs> หลวงพ่อไม่ค่อยได้ชื่นชมผลงาน <c oughs> หนายนายเข้าไปดูทีเขาแปลกให้ไม่มีใครมาตีกันพวกเล่นเน็ต เจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูคนอื่นเก่งดูตัวเองไม่เป็นส่วนใหญ่นะเลยทะเลาะกันบ่อยนี่อาจารย์สุรวัตรเลยถอนตัวเอาหนีไปเลยหายไปไหนแล้วบอกว่ามันยุ่งมากแล้วตอนนี้สอนอย่างเดียวไม่ยุ่งด้วยแล้วเอาอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ยุ่งด้วยใครจะยังไงก็ช่างเหรอเราทำหน้าที่สอนอย่างเดียวเอาต่อไปเชิญส่งกันบ้าน วิธีที่อย่าโดยกันบ้านได้เยอะคือพวกเราอย่าพูดเยอะเอาแต่เนื้อๆ น, นะไม่ต้องอารรรมพระบทไม่ต้องโรงพ่เอเอาหัวสีให้ทุกคนนะไม่ต้องขอคำมามีทุกวันเลยเสียเวลามากเลย94อ้างว่าไป กับประสบการณ์หลวงพ่อครับก็คือปฏิบัติมาสองปีแล้วก็คือช่วงนี้เห็นว่าวันๆก็คือจิตมันก็หลงตลอดนะครับมันก็มีรูรูนิดเดียวแล้วก็ทำอะไรมันก็คือเซิร์ฟมาณอัตราตัวเองตลอดนะครับแม้กระทั่งแบบตอนที่เรามีความสุขก็คือมันก็เป็นจิตที่มันแบบหลงไปมันมีโมหะอยู่อะครับถูกไปนะดีแล้วถูกต้องแล้วเบอร์ร้อยหนึ่งเมื่อก่อนที่อาจารย์ปีที่แล้วบอกว่าผมติดเพ่งมากตอนนี้ผมก็เปลี่ยนวิธีก็คือมา หัดเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็ดูกายแล้วก็ดูจิตไปบางครั้งดูจิตมันก็หลงนะครับแตบ่บางขณะที่จิตมันาบางครั้งมันลุลุ้นคำธรรมะเนี่ยคือผมสงสัยว่ามันมันเป็นธรรมะวิปัสสต์เองแค่รู้นะแ ค, แค่รู้แค่รู้เราทิ้งไปทุกอย่างไม่ได้รู้เพื่อเอาแต่รู้เพื่อวางถึงมันสอนธรรมะมาก็รู้ไปงั้น เราไปจำไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไรแต่ธรรมะเวลามันถ่ายทอดถ้ามันเข้าสู่จิตอย่างจริงจริงเนี่ยมันล้างกิเลสแล้วมันก็ล้างเรียบร้อยไปแล้วดังนั้นธรรมะที่ยังจำจำได้นะอย่าไปเอาไว้เสียเวลารู้เราทิ้งไปเอาให้โยมผู้หญิงนี่หน่อยเดี๋ยวเสียใจอ่ะนี่ข้างนี้ข้างหน้าเออเดี๋ยวมาเอาซะหน่อยอ่ะ น้ำมันส ก, การเจ้าค่ะคือโยมขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์แบบสภาวะจิตของโยมปกติดีเปล่าเจา้าค่ะตอนเนี้ยดีดรู้สึกมันมันเป็นไงมันหลายครั้งมาแล้วที่โยมจะส่งการบ้านด้วยการสภาวะที่โยมตั้งใจจริงจริงที่ที่เห็นจริงจริงพอจะส่งแล้วมั น, ม, นมันเกิดเบลอไปเอแล้วก็มัอนก็ลืมไปเลยไม่เป็นไร ล, ลืมแล้วแล้วไปนะ、okay. แตที่ภาวนาวันนี้ใช้ได้เลยเจ้าค่ะก็ยังถูกทางอยู่นะเจ้คาค่ะถูกภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้เลยแหละกาพะพระคุณเจ้คาค่ะเมือ3่อสามเจ็ดน้ำมันสักการครับหลวงพ่อผมมาจากเชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคราวที่แล้วไม่มีโอกาสส่งกันบ้านนะครับได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นเวลาสักหกเดือนนะครับ อ, อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อไปปฏิบัติตองครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม ครับนะตอนนี้ประคองอยู่ดูออกไหมดูออกครับปล่อ、like right? ยมันนะครับมันแล้วก็ตามรู้มันไปสบายสบายครับรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ครับแค่นั้นแหละขอบคุณครับใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจไม่ถึงฐานครับใจไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานให้รู้เอานะครับร้อยห้าสิบหนึ่งข้างหลัง เนี่ยนักปฏิบัติส่งการบ้านมันก็สั้นๆแค่นี้ถ้านักประพันธ์เนี่ยส่งการบ้านยาวมากเลยกับนักสการ์ครับคราวที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกให้ดูจิตกับดูกายนะครับในหลวงพ่อดูหน้าซิจำไม่ได้คนไหนครับถ อ, ถอดหน้ากา ก, ากหน่อยเออใส่ไปครับจำได้แล้วอ้าววันนี้ ไ, ไปดูจิตก็มันจะเห็นแต่ความทุกข์เป็นแต่ความปุ้มแต่งอของของจิตขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละของจริง ม, มันมีความไม่ชอบมันมีความไม่สบายใจขึ้นมาปัญหาของเราก็คือรู้ความจริงนะแต่ใจไม่เป็นกลางมันไม่มีแรงเลยครับมันไม่ยอมรับนะวิธีการก็คือฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ทำในรูปแบบจะเพิ่มแรงให้เราเยอะขึ้นคือตอนนี้ใจไม่มีแรงใช่ไหมครับอ่อนแรงนิดหน่อยนะแรงน้อยไปหน่อยไม่มากหรอกครั บ, รบ<ะ>แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายที่ดูยังไงครับร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่คอยรู้สึกอย่าลืมมัน ถ้าลืมลืมใจไม่เป็นไรนะก็อย่าลืมกายด้วยให้เหลือไว้สักอันหนึ่งก็ยังดีถ้าไม่รู้กายก็รู้ใจไม่รู้ใจก็รู้กายอย่างตอนนี้ไม่รู้ทั้งกายทั้งใจนึกออกไหมครับอย่างนี้เรียกว่าหลงไปนะคือใช้ความรู้สึกใช่ไหมครับใช้ความรู้สึกไม่ดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกขอบพระคุณครับเบอร์ยี่สิบเก้าด้านนี้นี่นักปฏิบัติส่งกันบ้านไม่ยาวอย่างนี้แหละดี ครับเขาการส่งกันบ้านรอบหนึ่งปีสามเดือนครับคราวที่แล้วนี่หลวงพ่อว่าให้ผมไปดูจิตนะฮะแล้วก็กลับไปดูมาหนึ่งปีกว่าก็พบว่าตัวเอยงกิเลสเยอะครับแล้วก็มีหมดเลยทุกอย่างและอาจจะเยอะกว่าคนอื่นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบไม่เยอะกว่าหรอกอ น, นี่ก็เลยยังตอนนี้นะถ้าเกิดกิเลสยังโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถ้ามันไม่รุนแรงมากก็จะวางมันได้ฮะเห็นกิเลสเกิดดับไปเรื่อยๆไหมก็เห็นครับระวังไม่ให้ไปติดนิ่งติดว่างนะเห็นมันทำงานไปเรื่อย ขณะนี้จิตตั้งมั่นไหมขณะนี้ก็จิตถึงฐานไหมขณะนี้เลยคิดว่าก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแต่ยั ง, ยงไม่แน่ใจขณะนี้เหรอคิดว่า ร, รู้ตัวแล้วยังตอนนี้คิดว่ารู้แล้วนะยังโมโห น,、er、นดิดหนึ่งครับมันอยู่นอกๆ น, นะจิตไม่ตั้งมั่นอะจิตอยู่ข้างนอกโล่งๆวง่วางๆออกมาอย่างนี้รู้สึกไหมลองย้อนขึ้นมาดูกิเลสในใจซิเห็นไหมมันดีออกมามันไม่เข้าไปดูนะให้รู้ทันนะว่าจิตไม่ตั้งมั่น มันดูเข้าไปไม่ถึงจิตตอนนี้ ม, มันเหมือนจะถึงไม่ถึงหรอกมันอยู่นอกๆแล้วที่ผ่านมานี้ไม่ทราบก็ยังอยู่นอกๆมานานแล้วครับสงสัยนะ <c oughs> <c oughs> ดีที่มาส่งกันบ้านนะ <c oughs> สังเกตออกไหมว่ามันรู้สึกเป็นโล่งๆว่างๆอยู่ข้างนอกแล้วก็รู้สึกโล่งมานานแล้วเหมือนกันครับเออนั่นแหละเลิกซะสังเกตไหมเราย้อนเข้ามาไม่ถึงจิตพอเราจะดูจิตนั้นมันเฉล็บปุ๊บหนีไปเลยมันไม่ยอมดูมันย้อนเข้ามาไม่ได้จริง ให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นรู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมครับแล้วมีความอยากพุทธขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้เอาหลงไปคิดอีกละทราบไหมแล้วไปกดเอาไว้ทราบไหมดูบ่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะได้หลุดจากไอ้ว่างๆนะดูสภาวะไปดีที่มาถามน้าบุญละที่มาถามไม่งั้นจะเป็นพระอรหันต์ดิบอยู่ตรงเนี้ยต่อไปโล่งว่างไปเลยขอบคุณครับหลวงพ่อครับเบอร์ห้าสิบหลวงพ่อเคยติด ถึงพูดเต็มปากเต็มคำแล้วนั่นอาจารย์มหาบัวท่านแกให้เอาเบอร์ห้าสิบอยู่ที่ไหนสามเดือนที่แล้วผมมาส่งการบ้านกับหลวงพ่อครับก็บーーจิตติดเพ่งดได้แล้วก็ตึงความรู้สึกเอาไว้ที่กายนะครับจนไปต่อไม่ได้ใจยอมแพ้แลคิดว่าชาตินี้คงได้แค่นี้ーーพอยอมแพ้ปุ๊บมันก็ไปเห็นว่าที่มีอัตราว่าจะต้องดูขาดทุกตัวปรากฏว่าที่เห็นน่ะคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ม, มันย่อมจะต้องดูออกบ้างไม่ออกบ้างออถ้าดูเป็นอัตไม่งั้นก็เป็นอัตตาไปแล้วใช่ถูกต้องก็เลยรู้ว่ายังไม่ยังดูงไม่พ<ม>อเห็นไหมพอเข้าใจนั่นการพอน่าก็าง่ายมันพอนายากเพราะเราไม่เข้าใจมันอันเบอร์ยี่สิบสี่คุณทำได้ดีนะเอาคืนกันยี่สิบสี่อยู่ที่ไหนวส ก, การหลวงพ่อคะ่ะมาส่งกันบ้านรอบสองเดือน อ, อ๋อ หลงวงพ่อให้ไปดูอนุสติอคะค่ะพ่อคิดเยอะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างอสองเดือนที่ผ่านมาก็ยังฟุง้งซ่านอยู่กำลังมันน้อยไปหรือเปล่าคะอะไรนะกำลังมันน้อยไปหรือเปล่าคะมันนิดหน่อยนะไม่น้อยมากหรอกกำลังก็พอใช้ได้อ่อนไปนิดหน่อยถ้าอย่างนี้ต้องไปหัดเดินจงกรมหรือทำสมาธิป่ะคะใจมันฟุง้งซ่านเยอะนะไปเดินอย่าไปเดินบังคับนะแค่เดินเห็นกายมันเดิน ถ้าไปเดินมุ่งเอาความสงบเนี่ยจะไปกดมันจะเครียดเราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบหรอกเราภาวนาแล้วก็ตามรู้ไปจิตฟุง้งซ่านรู้ว่าฟุงา้งซ่านจิตไม่ชอบฟุง้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบหัดดูอย่างนี้ก็ได้ในตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมทราบค่ะหนีไปหนีไปอีกแล้วทราบไหมหนีไม่ทันค่ะไม่ต้องทันนะหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงแล้วไง พอไปเดินจงกรมแล้วเวลาก้าวอะคะ่ะก็เหมือนจิตมันลอยไปคิดแล้วอะค่ะคือเราต้องดูกายหรือเราดูจิตอะคะ่ะถ้าเห็นจิตหนีไปคิดนะรู้ทันจิตได้ก็รู้ทันจิตการภาวนาเนี่ยถ้ารู้จิตได้ให้รู้จิตถ้ารู้จิตไม่ได้ให้รู้กายนะจับหลักไว้ถ้ารู้จิตก็ไม่ได้รู้กายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้พุทโธพุทโธคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้ マルライいップ。<110. S 2> เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นครับหลวงพ่อมันติดนิ่งๆแบบมันมันไม่เคลื่อนไปตัวนี้ไม่เอานะครับเราไม่ได้ภาวนาเอานิ่งครับแต่ก็รู้รู้ไปก่อนใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ให้รู้ไปด้วยใจเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันนะไม่เกลียดครับก็ดูมันอยู่ตลอดนะครับหลวงพ่อแล้วถ้ามันติดไม่ยอมเลิกนะก็ลืมมันไปเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลับมารู้สึกตัวกระทบอารมณ์ใหม่ก็รู้สึกเอาแต่ถ้ารู้แล้วมันยังดับได้ก็รู้มันไป แต่ถ้ามันติดอยู่นี้นานเลิกเลยทิ้งมันไปครับหลวงพ่อครับกลับมารู้สึกตัวใหม่ครับผมเบอร์สิบเอ็ดหลวงพ่อเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนี่เวลาเราภาวนานะดูจิตดูใจไปช่วงหนึ่งบางทีไปติดในว่างไปติดความว่างเพราะเราต้องรู้ทันว่าจิตไปติดอยู่ละถ้าจิตไปหลงยินดีนั่นก็ติดพอไปเห็นว่าติดนั้นก็เกิดยินร้ายอีกให้รู้ทันว่ายินร้ายคราวนี้ไม่ติดละ อาเชิญเบอร์น 11. นำสิบเอ็ดน้ำมัศการค่ะพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะ่ะไม่อยากทราบว่าต้องดูกายหรือดูจิตนะคะมีอะไรให้ดูเอาแบบนั้นแหละเอาให้มันได้สักอันหนึ่งเพราะว่ามันฟุ้ง <c oughs> ต้องดูจิตใช่ไหมคะใช่มันฟุ้งมากๆนะก็ต้องพุทโธไปพุทโธเล่นๆพุทโธแล้วใจแอบไปคิดก็รู้ว่าใจหนีไปคิดอะไรเงี้ยแล้วก็มาพุทโธอีกไม่ใช่พุทโธเพื่อไม่ให้คิดนะพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทำเล่นๆไป ร้อยสามสิบเจ็ด <13 7. S 2> คือหนูรู้สึกว่าหนูจะชอบขี่โมโ ห, โหแล้วก็ขี่ฉาแล้วก็เพิร์เจอร์ชอบเพ่งชอบหลงแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่ามันรู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะบางทีก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หลายเวลาหลายก็หลายแบบหลายมากเวลาดกีก็ดีอะค่ะอ๋ออันแรกเ <laughs> ชื่ออันหลังไม่ค่อยเชื่อ <laughs> แบบดีในใจอย่างเงี้ยเวลาแบบเหมือนกับใจมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบาาบเวลาร้ายก็ร้ายแบบร้ายแบบ อ, อ, อย่างนี้เขาเรียกคุ้มดีคุ้มร้าย <c oughs> หนูก็เลยอยากรู้ว่าหนูว่าต้องแบบดูจิตไปค่ะนะเห็นความเคลื่อนไหวเห็นความเปลี่ยนแปลงดูจิตไปกรรมฐานแล้วเหมาะแล้วขอบคุณค่ะ76เชิญนวัตสการหลวงพ่อครับอยากจะทราบว่าตอนนี้ผมมีปัญหาอะไรอยู่หรือ ที่ต้องแกหลงพ่อจะไปรู้หรอ ekk buat cherry on side Conference ones. ฮอคต аний ะกันก็แครง starter redeem irrr.. Beenampgan in? ดูด ilevelards ขอป turned to be a child's interface เธอทำคือบวัน asin happened to be given as good or the fall of your life ..for a cherry on fire have been scrambled were on the kurt. ทำกันแล้ว suppose your call was to take over two months а livers. byegame bag, for those f i will wrap up. คือ stacking other locations รู้อา2016 lews i fbank א 그렇게ได้ไหมครับเธอ identify what あった зы?atu box House up i'm a athlete of a jumENS i you give it a ух kon några Efendimiz nowi. infect ทุก Italia.. град und ใจไหลไปคิดรั่วใจไหลไปคิดผมจะดูแบบหลงหลงไปแล้วมันจะเห็นหลงไปบ่อยๆอะค่ะนั่นแหละดีใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไหมใจมันก็โล่งๆโปร่งๆออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนกันแล้วหลวงพ่อเคยบอกผมว่าเมื่อปีที่แล้วที่มาส่งหลวงพ่อทำหน้าให้ดูว่าผมแบบลอยๆไปอย่างเงี้ยครับเออตอนนี้ไม่ลอยขนาดนั้นละยังใช่ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลย ดีขึ้นเยอะเลยนะมันเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวแล้วแล้วผมต้องมาหาหลวงพ่อบ่อยๆหรือเปล่าครับดูสังเกตที่ใจเรานะใจเรายังไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมใจเราโล่งโล่งว่างๆออกไปครับนะอย่าให้ไปติดในความโล่งความว่างนะยังไม่เข้าใจคำว่าไม่ตั้งมั่นนะครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะเหมือนใครจะบรรยายว่าแอปเปิ้ลรสชาติยังไงพูดยากนะรู้จักจิตที่หลงไหมรู้ครับรู้หลงบ่อยๆนะขอบผม หลงไปในความคิดบ้างหลงไปทางตาบ้างหลงไปทางหูอย่างตอนนี้หลงไปในความคิดแล้วทราบไหมครับผมอ๋อเนี่ยจิตที่หลงไปคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะให้รู้ทันว่ามันหลงไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันไปอยู่ในความโล่งความว่างมันก็หลงไปอยู่ในความโล่งความว่างบางทีรู้สึกสบายโล่งๆขึ้นมาอันนี้ก็หลงอยู่ถ้ารู้ว่าหลงอยู่มันจะถอนตัวขึ้นมาเองอ้าวต่อไปเบอร์ห้าสิบสี่โอ้วันนี้หลวงพ่อสบายนะ เดี๋ยวหลวงพ่อสอนได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะที่เหลือนะแนะนำไปถามแม่ชีถามอาจารย์สุรวัตรถามอาจารย์หนุ่ยแล้วก็ถามครูบาอามีหมอณัฐมาไหมคุณมาลีนี่อีกคนหนึ่งเห็นแวบๆวันนี้มีผู้ช่วยเยอะเลยกราบนมัสการพระอาจารย์หนูเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ได้เคยได้ฟัง CD ของพระอาจารย์แล้วขอพระอาจารย์ ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะค่อยหัดอยู่นะที่หัดดูอยู่ก็ช่วยได้แล้วเนี่ยคอยรู้กิเลสอะไรมาก็คอยรู้กิเลสอะไรมาก็คอยรู้รู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้ไปสบายสบายรู้สึกเปล่าว่าใจสบายขึ้นก็ยังแต่ก็ตื่นเต้นด้วยให้ตื่นเต้นโดยเฉพาะหน้าตอนนี้แหละไปหัดดูต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้พระอาจารย์คะพอดีหนูมีเพื่อนมาคนหนึ่งเขามีทุกข์มากนะคะเหรอขอขอขอหนึ่งนะคะอาอ้าว มีทุกข์มากแล้วทำฉันใดดีาาศการการรัตกายกับพระอาจารย์ครับคือผมคือมันมันมีทุกข์ทางใจนะคือทุกข์ผมเกิดจากเป็นเกี่ยวกับทุกข์ทางใจรุนๆเนี่ยฮะที่มันไม่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่าแ ก, แก่แก่ตกได้ทุกข์เนี่ยนะถ้าเราอยากให้หายเนี่ยยิ่งทุกข์มากคือมันมันทุกข์จิตใจมันจะมีแต่ความทุกข์ขุนหัวเศร้าหมองแล้วก็มันจะเผ็ดร้อนอแล้วมันจะ มันจะมีความร้อนเหมือนถูกไฟเผาเผามาอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่ตั้งแต่ยเด็กจนจนบัด น, นี้นะตลอดชีวิตนะคุณภาวนาดีนะคุณไม่ใช่ภาวนาไม่ดีคุณรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางไปแต่แต่มันไม่สามารถจะปล่อยวางหรือปลดปล่อยจุดนี้ได้มั น, มนมจุดที่ทำให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้นะก็คือคุณปฏิเสธทุกข์นะคุณเห็นความจริงแล้วว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้นล้นเลย แต่ใจลึกๆเนี่ยไม่ชอบอยากให้มันเป็นตัวสุก ข, ขึ้นมาสุกจริงๆไม่มีผู้มีสติมีปัญญาอย่างที่คุณฝึกมาเนี่ยคุณมีสติคุณมีปัญญาแล้วคุณเห็นความจริงแล้วว่ามันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะแต่เพราะใจคุณไม่ยอมรับมันงั้นให้คุณรู้ทันใจที่ไม่ชอบทุกข์อ่ะถ้าใจคุณเป็นกลางต่อทุกข์นั้นมันก็จะผ่านไปได้ทุกข์นี่ไม่ได้มีเอาไว้ละพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ แต่คุณอยากละคุณอยากให้มันหายไปอะไรอย่างนี้ทุกเป็นของจริงในโลกคณอยากให้หายไปไม่ได้มันต้องมีอยู่มันอยู่ที่ว่าถ้าใจเราเป็นกลางต่อทุกนะใจก็จะพลาดออกจากทุกไม่ยึดถือมันคุณฝึกมาดีแล้วนะคุณไปดูใจที่ทุกอะแล้วก็รู้ทันว่าใจที่ไม่เป็นกลางอะ่ะคอยรู้ตัวนี้ไว้บ่อย แต่ทำไม่ไม่ไ ม, ไม่สามารถที่ที่นี่ที่มันความทุกข์เราไม่ได้บู๊งให้หายนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายทุกทุกเป็นของมีอยู่ประจำโลกทุกไม่เคยหายไปไหนผู้มีปัญญาเนี่ย <c oughs> เห็นโลกเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ผู้ไม่มีปัญญาหรอกถึงจะหลงว่าโลกมีความสุข <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้โลกเนี้ยมีความสุขไม่ได้ภาวนาเพื่อให้โลกเนี้ยหมดจากความทุกข์เหมือนกับเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ไฟไม่ร้อนนะไฟอะไรก็ร้อน โลกนี้ยังไงก็ทุกเพียงแต่ว่าใจเราไม่ยอมรับต่างหากถึงเป็นตันหาขึ้นมาถ้าใจยอมรับความจริงว่าโลกนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนไม่มีทางหรอกที่จะไม่ทุกข์ใจยอมรับตรงนี้นะใจจะสลัดตัวออกเลยครุณทำมาเยอะแล้วนะคุณภาวนาแล้วขอญาตถามพระอาจารย์นิดๆครับทีนี้ความเผ็ดร้อนที่เหมือนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลาที่มัน มันตรงนี้มันเป็นทุกข์ทรมานที่มันทนยากมากฮะมันมันตรงนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรพระอาจารย์เป็นผลของพิบกักร์ละนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมารู้รูปเดียวเลยทำกรรมใหม่ไปเรื่อยหมายถึงว่ามีสติรู้ไปรู้ด้วยใจเป็นกลางเขาคุ้นจับคำว่ากลางไว้นะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางในโลกนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์เต็ไมไปด้วยความแสบร้อนผู้เจ้าบอกมันนะมีแต่ทุกข์นะไม่มีสุขหรอกการที่คุณภาวนา ตั้งแต่เล็กๆมาคุณเห็นโลกนี้เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรามีของเก่าเราสร้างของเรามาแล้วนะสติปัญญาเรามีอยู่จิตของคุณตื่นจิตของคุณไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอยู่ที่ว่าเมื่อไรจะยอมรับความทุกข์ได้ใจเลิกดิน้นใจเลิกดิน้นใจก็พ้นทุกข์จำได้ไหมประโยคนี้ถ้ายอมรับความทุกข์ได้นะใจก็เลิกดิน้นตอนนี้ใจยังไม่ยอมรับใจอยากให้ทุกข์หายไป ไพร он าจะไงก็ไม่หายทน ต, รงนตาม юсь ใช้ต้องม่งอ้ ην ตรว ST так 諼สณะไม่ไพรนา sapó ยอม нуть ใจ like ต parfait ไม่มีทางแก้ไข Jug leg เมื่ fridge น, นี่ประอคอภาวนาถือมันข้อมข่ายถูก girlfriend ศาวกัลจะ Gel งรยาย posth whilst you're glad dead personiu 28 � immun Goodbye Luk Making שה hereisf похож. he finally looked like tomorrow at the highest NOT Property. ตรวンダปล Virusmel entrada six months One Poncho us. อยาก cion Emmy replied to Say that pretty chớ And so the reverse of the Fuad wasn't that happy after all the new. repeating the naked forma is more คนในโลกเห็นแต่ว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างภาวานากันปางตายเลยละ่ะถึงจะเห็นว่าจิตนี่เป็นทุกข์แต่เมื่อเห็นว่าจิตเป็นทุกข์แล้วเนี่ยจิตไม่เป็นกลางจิตยังอยากให้มันพ้นจากตัวนี้ไปนี่ว่าไม่ยอมรับทุกข์แล้วจิตยังไม่ยอมรับอยู่จิตยังดินน้นรนจิตก็ายิ่งทุกข์ซับซ้อนเข้าไปอีกค่อยๆสังเกตตัวนี้ดูก็แล้วกันนะอย่าคิดว่ามันจะหายสิ คิดว่ามันต้องทุกข์อย่างนี้ตลอดไปถ้าหวังว่ามันจะหายนะใจจะดิ้นไม่เลิกหรอกหลวงพ่อเนี่ยดีใจแทบตายเลยเกิอนภาวนาแล้วเห็นทุกข์ล้นๆนั่นแหละภาวนาตั้งหลายปีเอาเก้าสิบหนึ่งครับเก้าสงฆ์การพระจารย์เขากะให้คุณแม่ค่ะพอดีคุณแม่มาจากเชียงรายอะค่ะอยู่ไหนล่ะเอาว่าไปคืออยากทราบว่าคุณแม่จิตตื่นหรือยังอะค่ะและรู้ อย่างงั้นหลวงพราะช่อช่วยนำสภาวะให้คุณแม่ดูหน่อยได้ไหมคะฮะสภาวะมันจะต้องไปนำอะไรคือณขณะนี้คุณแม่เป็นยังไงอะคะคุณแม่รู้ไหมว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยไม่รู้ดูไม่ออกหรอกให้คุณแม่รู้สึกร่างกายบ่อยๆไว้นะยังดูจิตไม่ได้ดูกายไปก่อนให้ดูกายก่อนนะคะดูกายไปค่ะขอบพระคุณค่ะเบอร์186อยู่ข้างหลัง ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นทำเหรอเออตื่นเต้นและตกใจไม่รู้ว่าจะได้เรียกอยู่ไหนไม่เห็นน่ะอยู่นี่ค่ะว่าไปก็คือผ่านมาเกื อ, กอบๆหนึ่งปีจากติดเพ้งติดประคองอะนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีติดเพ้งติดประคองแต่เบาบางลงอะคะ่ะหลังจากที่ใจมันช่วงหนึ่งมันแบบว่าทำด้วยความอยากอย่างมากนะคะแล้วก็จนถึงจุดจุดหนึ่งเนี้ยมันก็เหมือนแบบมันมันเหมือนแบบ มันไม่มันเหมือนมันอยากยอมแพ้ไงค่ะแต่ก็ยังดูต่อไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็แบบก็เริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่าแบบมันบังคับไม่ได้แล้วพอเห็นสภาวะหนึ่งเนี่ยคือสภาวะนั้นเนี่ยเกิดตอนช่วงที่จะนอนอะนะคะแล้วก็คือนอนจเจริญสติไปเรื่อยๆออพอดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นตัวเองนอนอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยปุ๊บมันก็แบบเหมือนเห็นว่าตัวเองเนี่ยที่นอนอยู่ในห้องอะค่ะ กลายเป็นแบบเหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในแบบจักรวาลกว้างอะค่ะเออถ้าถูกแล้วนี่ที่เห็นนี่คือเห็นจากปัญญาหรือสัญญาะคะ่ะเห็นจากปัญญาค่ะแต่ตอนนี้อยากให้ใจติดนิ่งนะค่ะรู้สึกมันตอนนี้มันจะเหมือนโม่โม่งมองมอ ง, มองอไม่ค่อยเห็นมันมันไม่มีเรี่ยวมีแรง ใ, ใจมันไปติดนิ่งๆเฉยๆอยู่ยค่ะแอคทีฟหน่อยคือตอนนี้จะปฏิบัติในในรูปแบบคือดูกายเป็นหลักอะค่ะแล้วก็จะเห็นปลุกใจให้ แอดทิฟวันนี้ให้เขาใช้อะไรแอดทิฟให้มันคึกคักกระปรี้กระเป่าใช่ไหมเนี่ยมีคนตอบว่าหลวงพ่อว่าพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษบางทีเรานึกศัพท์ไม่ออกอะบางคำนะมันแปลเป็นภาษาไทยยากนะแบกกล่าวเนีย่ยอะไรจะใช้แปลว่าอะไรฉากหลังหรืออะไรฟังแล้วไม่รู้จะแปลว่าไงบางทีไปทำอีกนะแต่มันเฉยเนยไป はい。 แต่บางที Hillng gotta últ chair people maintaining gratitude and pinpoint ếu Questions ไม่ใช่พวกคิดมากหรอกทำใจสบายๆให้ใจสงบ outer dome ดูกลายไป Fleusing be din นั่งนอนไปเห็นกลาย manten ห้ายใจออกหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูน่าผิดอย่างนี้บ่ ded ม Jrng. adequately พ่อเคย anki ท์ TC ผมตามรู้กลายเมื่อปีที่แล้วครับผมก็值塔 rod ไม่งี้วันก็ได้ผลดี ช่วงเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้ผมฝึกอย่างนั้นไม่ค่อยได้เลยครับแล้วทำไมละ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่การภาวนามันล่มไปอะครับล่มแล้วอย่ากไปอยากให้ดีนะจลิตนิสัยคุณอะมันเหมาะกับการดูกายมันไม่ใช่ทิฏฐิจลิตหรอกพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะเห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูอะไรเงี้ย ค่อยๆดูสบายๆทำความสงบเข้ามาก่อนนะให้จิตใจมีความสุขจิตใจสบายแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆเหมือนเราเห็นคนอื่นมันทำงานพอดูกายชัดเจนมันก็จะเห็นจิตชัดเจนด้วยเนี่วยตอนนี้จิตแอบไปคิดแล้วทราบไหมครับ น, <ะ S 2> นิดนึงเวลาอะไรนะตั้งนึงเวลาที่ผมนั่งสมาธิบางทีเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อก่อน เ, ออเดี๋ยวนี้มันจะแบบบางที หลายครั้งเลยมันเพ่งครับมันตั้งใจมากไม่รู้จะยังไงดีก็ให้รู้สินะว่าความโลภมันเกิดมันอยากปฏิบัติเลยตั้งใจเยอะมันแข็งแข็งเลยใช่ถ้าแข็งแข็งมันผิดแหละนะพยายามฝึกในชีวิตประจำวันเยอะๆหน่อยทำใจสบายๆก่อนอย่าไปกังวลอย่าไปกลุ้มใจสบายๆแล้วก็ดูกายดูใจไปเห็นกายเมื่อไหร่ก็เห็นใจได้จิตแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับ ของคุณนะคุณภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะใจของคุณตอนนี้มันค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาเยอะละอ่ะต่อไปร้อยยี่สิบสามน้ำมศการครับหลวงพ่อผมมาส่องบ้นานครั้งแรกครับฟังผมจะชอบนอนฟังซีดีหลวงพ่อก่อนนอนครับแล้วก็มีอยู่ครั้งแรกมันฟังไม่ยอมหลับเลยก็เลยลำคา ล, ลุกขึ้นไปปิด ครับกวนนอนไม่หลับ、hmm. มีอีกสองสามวันครับนอนนอนฟังเสียงหลวงพ่ออยู่เหมือนกับ、hmm. สติมันตั้งขึ้นมาครับ、hmm. แล้วก็กระวนกระวายใจเห็นกายที่นอนอยู่เนี่ยครับ、hmm. มันทุกข์ทรมาร์แสนสาหรัส、hmm. เ อ, อ่อมันพลิกไปท่าไหนมันก็ยังทุกข์อยู่、hmm. เพราะว่าผมปกติจะชอบนอนท่านี้พอไปนอนท่าที่ชอบมันก็ยังทุกข์อยู่ครับ、hmm. แล้วมันก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเข้ามาเรื่อยๆครับ มันก็ยังทุกข์ทั้งคืนอยู่งั้นจนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาปิดซีดีของพ่ออีกรอบปิดซีดีแล้วมันหายทุกข์เหรอคือมันก็เหมือนอ๋อผมก็ไม่ทราบเหมือนกับว่าผมแต่มันยังมันยังไม่เห็นคำว่าเขาเป็นผู้ทุกข์ครับแต่ยังเห็นว่าตัวผมเป็นผู้ทุกข์อยู่คือมันก็ยังมีเสียงของพ่อแทรกเข้ามาว่าเฮ้ดูไปสิว่าเหมือนกับให้เหมือนกับอยากมันก็คงอยากจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับ มันยังกลายอยู่ในกูนะครับ You're not good! ขอโธสนะครับมันว่า Gallo Go No. fri นี่อยู่ parole ครับก็มันยังยืดเป็นกูอยู่มันก็มีกูก็ถูกแล้ว milhões ไม่ต้องแกล้งดับจริษว่าไม่ fiky มันมีกูก็มีคือผมรู้สึกว่าบางครั้งมันโง่มากนะครับมันเห็นแล้วมันแบบ it would have be worried มันไม่นึก использodi ใจอย่างไม่พอนะ จิตใจของเราเนี่ยมันสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดในสังสารวัตรเนี่ยยาวนานมากมันสะสมความรู้สึกว่ากายนิจจานิเป็นตัวกูนะนี่การที่เรามาเจริญสติเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วว่าไม่ใช่กูนี่บางคนเห็นว่าไม่ใช่ตัวกูนะเพราะมันเป็นทุกข์มีแต่ตัวทุกข์นะมันห้ามไม่ได้สั่งให้หายไปก็ไม่ได้นะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยตามรู้ตามดูเนี่ยความรักในกายเนี่ยก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยล ง, ยลงมันไม่น่ารักเท่าที่เราคิดหรอก <c oughs> เห็นไหมความรักความหวงแหนความยึดถือก <c oughs> ็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราเห็นกายเป็นทุกข์เราก็ยึดถือกายน้อยลงพอยึดถือกายน้อยๆเนี่ยกายมันจะแก่กายมันจะเจ็บกายมันจะตายเราจะไม่ทุรนทุราย <c oughs> เพราะตัวทุกข์มันแก่เราจะเดือดร้อนอะไรตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายเราจะเดือดร้อนอะไร <c oughs> ที่เราภาวนาก็เพื่อให้มันเห็นความจริงให้ใจยอมรับความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นภาวนาแล้วเห็นทุกข์น่าดีแล้วแล้วที่ผมภาวนามานี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะ ติดอะไรไหมครับหลวงพ่อใจมันอย่าให้มันฟุ้งซ่านนักนะมันมีความฟุ้งซ่านอยู่ครับของผมนี่ดูได้ทั้งกายและจิตใช่ไหมครับได้ดูได้ครับขอบพระคุณครับทำความสงบบ้างนะครับทำความสงบทำกรรมฐานอะไรได้บ้างล่ะก็ทีแรกก็ไปเข้าคอร์สผ่องยุบมาเพราะงั้นทำแล้วส่วนใหญ่เครียดครับคือคือเออผมจะลืมเล่าตอนไปเข้าคอร์สผ่องยุบมาครับตอนนั่งสมาธิจะปวดขาแล้วพอ พอเห็นว่าขามันปวดอย่างเงี้ยครับเคยฟังว่าเฮ้ยมองวัตถุไปมันมันปวดไม่ใช่เราปวดอะไรเงี้ยครับเหมือนกับคิดนำมันก่อนเงี้ยครับออสักพักหนึ่งมันก็แยกออกเลย เ, ออเห็นใจเป็นผู้ดูเงี้ยครับเอออย่างนั้นใช้ได้ผมถึงบอกว่ามันโง่ามากต้องคิดนำก่อนไม่เป็นไรคิดนำอย่างนี้ใช้ได้หลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดการที่คิดนำเนี่ยคือการอาศัยคิด แต่รบรรนำจนขันมันแยกนะก็มีหน้าที่ดูไม่คิดแล้วคราวนี้พอคิดก็ไม่รู้แล้วคราวนี้คือคื อ, คอที่ผมเห็นมานี่เป็นของจริงไม่ใช่คิดเองใช่ไหมครับออของจริงครั บ, รบขอบพระคุณครับเบอร์หกสิบเจ็ดอย่างนั้นใช้ได้นะที่ฝึกแยกขันออกไปกล่าวเป็นวัสดการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อหกเดือนที่แล้วการบ้านคือจิตไม่ตั้งมัน่นนะคะหลวงพ่อให้ว่าจิตตั้งมั่นปัญญาจึงเดินก็กลับไป ลองดูช่วงต้นๆก็ยังเหมือนไม่เขาไม่ค่อยเข้าใจก็ไปปฏิบัติในรูปแบบคือนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าตอนนี้จิตตั้งมั่นแล้วทีนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่คิดว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วนี่ใช่หรือเปล่ามันไม่ฟุ้งซ่านอย่างแต่ก่อนนะค่ะแต่ว่ามันตั้งไม่ถึงฐานมันดีเดียวหรอกอ๋อค่ะสังเกตไหมใจมันอยู่นนยใจมันโล่งๆอยู่นอ ก, นอก รู้สึกไหมมันเหมือนเป็นโล่งอยู่แถวนี้มันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองค่ะถ้าตอนนี้ค่ะดูออกใช่ไหมมันไม่ย้อนอย่างตอนนี้ไม่ย้อนเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้ใช้ได้อย่าดึงให้ย้อนนะถ้าเขาย้อนของเขาเองใช้ได้ดีใช้ได้ค่ะแล้วมีคำแนะนำที่กลับไปให้รู้ทันสภาวะทุกอย่างอะไรนะจิตไม่ตั้งมั่นรู้ว่าไม่ตั้งมั่นไปจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าจิตเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้แต่ตอนนี้จิตไปคิดใช่ไหมใช่ค่ะรู้ทันเอางนี่รู้ไปได้วยดูเขาทำงานดูจิตปรุงแตง่งเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองค่ ะ, ะปรุงแต่งจิตเช่นจิตไม่ดีหาทางทำให้ดีจิตไม่สุขหาทางทำให้สุขจิตไม่สงบหาทางทำให้สงบนี่เรื่องของเราปรุงแต่งจิตค่ะแต่ถ้าจิตปรุงแตง่งเรามีสติตามรู้ใช้ได้ คนในโลกที่พาวนาไม่เป็นเน Exec。빠วนาไม่เป็นเนี่ยจิต kabroom แต่แตงตราดเวลาแต่ rast�� ไม่มีสติตามรู้ผู้ภ TY บาทนะ้ำปลัอยให้จิตปร chapters taught like a عies heavenly�� reconstruction in ในโลกนี้แหละเราไม่ได้ต้องการเป็นคนผิดธรมดม ร, ธรมดาก็ปร против functions codependable, แต่เรามีสติตามรู้ไปเรื่อยๆก็ครับ942ขอบคุณครัะบนักมารถศากายหลงพ่อค่ะ ตอนนี้มันตื่นเต้นแล้วก็กดๆไวนิดนึงเออช่างมันสิคะ่ะแต่วันนี้คือหนูรู้สึกว่าช่วงไม่กี่เดือนนี้จิตใจมันโปร่งโล่งเบามากกว่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็ฟุ้งซ่านมากไม่ห้ามนะไม่ห้ามมันหลวงพ่อพุธเคยสอนนะบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญานี่คาบเส้นกันถ้าสงบนิ่งเฉยเลยไม่เกิดปัญญาหรอก<ะ>ถ้ามันมีฟุ้งซ่านนะมันทำงานไปเรื่อยๆแล้วเรามีสติตามดูไปก็เกิดปัญญาขึ้นมา เนี่ยจะใช้เทคนิคคือเดินแล้วดูนั่งดูหรือว่านั่งดูจิตไปเฉยๆเลยค่ะหลวงพ่อเราควรมีข้อวัดแบบไหนก็เดินไปสินะเดินไปเรื่อยๆเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานมันไม่หยุดเลยค่ะแบบไม่ได้ฝึกให้หยุดนะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตไม่หยุดปรุงแต่งหรอกเหมือนไฟมีหน้าที่ร้อนนะไฟก็ต้องร้อนแหละแล้วช่วงหลังหนูสื่อว่าจิตหนูมันมันเฉยๆกับสิ่งรอบข้างมากขึ้น มันโกรธคนสั้นลงคือมันยังโกรธแรงนะคะแต่ว่าระยะเวลามันสั้นลงไอ้เด็กนั้นใช้ได้ถ้าไม่โกรธเลยเราก็ติดว่างค่ะทีนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากความคิดหรือว่าเกิดจากที่เราเราภาวนาเอาค่ะแล้วจะทำจะพอจะทำยังไงต่อก็ผิดแต่ว่าก็อยากจะถามว่าจะทำยังไงต่อก็ทำไปสินะเดินไปดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยอย่าทิ้งกายนะของคุณอะ ดูกายไปด้วยเบอร์ห้าสิบสองกลับนวัตกรรมหลวงพ่อครับคือผมอยากจะสอบถามครับคือเมื่อผมเคยผมฝึกร่างกายที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมานานอยู่พอสมควรนะครับเมื่อก่อนๆเนี่ยจะสามารถรู้สึกสภาวะได้เร็วแต่ระยะหลังๆเนี่อรู้สึกว่าต้องรอให้กิเลสมันโตก่อนถึงจะเริ่มรู้สึกหรือบางทีมันจะไปไกลจนถึงที่ว่า มันใหญ่โตมากถึงจะรู้สึกเราต้องซ้อมนะสติเนี่ยเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้หรอกเราต้องซ้อมบ่อยๆมันถึงจะเกิดเร็ววิธีซ้อมคือทำในรูปแบบไหมครั บ, รบอ้อที่หนึ่งที่ผมจะถามก็คือผมห่างจากการทำสมถะมานานอยู่พอสมควรตรงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งพอที่ทำให้เหมือนกับว่ามันไม่มีแรงที่จะมากระตุ้นให้สติมันเกิดได้ทำสมถะแบบไหนทำซิทำให้ดู ปกติผมจะตามรู้ลมหายใจครับเวลาโปรติให้หายใจได้รู้สึกตัวนะหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยใจแอบไปคิดก็รู้ว่าใจไปคิดต้องซ้อมอ่ะไม่งั้นสติไม่เกิดงั้นเราก็นั่งหายใจไปใจแอบไปคิดแล้วรู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้อย่างตอนนี้ใจไปคิดใช่ไหมครับผมนั่งนั่งรู้ลมหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปซ้อมอย่างนี้เรื่อยครับ เออแล้วอยากจะกลับสอบถามหลวงพ่ออีกนิดหนึ่งครับเพราะผมมีติดอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับมีอะไรนะมีติดอะไรอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากนี้ไหมครับคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกครับภาวนาดีเฉลี่ยครับเพราะฉะนั้นคุณนั่งหายใจไปแล้วก็รู้ทันใจไปเรื่อยๆไม่ให้ไม่น้อมให้นิ่งครับผมที่นี้วันนี้ผมพาภรรยามาด้วยครับอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยสอนภรรยาด้วยครับเพราะเขาสนใจอยู่เหมือนกันนะครับชี้โมโหปะ ウェラーモーナー、ラフルーチェイジーモーホーウェラーミーファンソー、コロアミーファンソいウェラークロムジャイロークロムナー、カイドウファンローソクローレールエイトさんゲットファントゥクティークルーンソマジャクルジャクワンキトントエイトウウファンキトンチャイナファンキトゥクチャイナファンキトゥクチャイナファンキトゥクチャイナファンキトゥクチャイナフ เพราะจิตมีหน้าที่คิดจิตมีหน้าที่คิดใช่ไหมพอเขาคิดไปแล้วเขาเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้างเกิดกุศลบ้างเกิดอาคุศลบ้างเราก็มีหน้าที่ตามดูไปเราก็จะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวก、mm hmm. ุศลอาคุศลก็ชั่วคราวภาวนาเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ภาวนาให้เลิกคิดนะ <Yeah. S 2> เรื่องอะไรเราจะต้องมาแปลงร่างเป็นต้นไม้แล้วก้อนหิน อย่างนู้นนี่ก็คือต้องดูจิตก่อนใช่ป่ะคะดูจิตไปเอาขี้หมโมโหดูง่ายค่ะขอบคุณค่ะเบอร์สามสิบสองนั่นสามสิบสองอยู่นั่งเก้าอีกน้นั่นกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือเพิ่งมาครั้งแรกครับแต่อยากให้หลวงพ่อดูว่าที่ผ่านมาภาวนาเป็นยังไงบ้างครับภาวนาก็ดีนะภาวนาไปอีกแต่อย่าให้ใจติดนิ่งบับงครับตัวเองนิ่งเกินไปครับแล้ว จะดูกายหรือดูจิตดีครับดูจิตก็ได้นะเราเป็นคนช่างคิดจิตมันทำงานทั้งวันแหละอย่าน้อมจิตให้นิ่งก็แล้วกันครับรู้สึกไหมอตอนนี้เราทำจิตให้นิ่งยังตามไม่ทันครับรู้สึกไหมจิตเราตอนนี้ไม่เหมือนตอนธรรมดาเราตื่นเต้นเราก็เลยไปกดเอาไว้ให้นิ่งๆครับปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมดานะเนี่ยตะกี้เนี่ยใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกไหม มันหนีไปคิดถ้าดูไม่ออกนะดูร่างกายนะถ้าดูจิตไม่ออกมองไม่เห็นการทำงานของจิตมองไม่เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดูล่างกายไหมเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูล่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆก่อนเดี๋ยวมันค่อยเห็นจิตได้ครับขอบคุณครับป้าธิดาอยู่ข้างหน้าส่งมาใครสนใจป้าธิดาบ้าง เห็นไหมเราสนใจสิ่งอื่นเราสนใจโลกกว้างกว้างสนใจทุกอย่างยกเว้นตัวเองแต่เรารักตัวเองมากที่สุดแปลกไหมรักที่สุดนะแต่ดูแลน้อยที่สุดเลยเอ้าวโยมว่ากไปกราบในมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเรียกปิติมากขับอกเลยค่ะแต่พอเห็นปุ๊บมันก็มันก็หยุดลงกันนะคะขออนุ ญ, ญาตส่งกันบ้านในรอบสี่เดือนนะคะข้างหลังสุดที่โยม สมกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าโยมกำลังเดินปัญญาอยู่ค่ะแล้วก็โยมก็เห็นคือจิตเนี่ยเขาจะเห็นไตรลักษณ์ในบางครั้งแต่เหมือนเขาไม่ยอมรับค่ะโยมก็ไม่เคยเดินจงกรมเลยไปหัดเดินจงกรมปรากฏว่าไม่ได้เห็นกายเห็นจิตเลยตอนเดินจงกรมเห็นแต่ว่าที่เราเดินไปอยู่เนี่ยมันไม่ทันใจเลยก็จะรีบเราเห็นจิตแล้วน ะ, ะเราเห็นเลยว่าไม่ทันใจเลยอะไรเงี้ย ยมก็เดินเร็วมากค่ะเร็วมากมากก็ยิ่งไม่ทันใจก็ยิ่งเร็วขึ้นไปอีกให้รู้ทันใจของเรานะอย่าเดินเร็วมากเดี๋ยวล้มไปกาเปลียนถามหลวงพ่อค่ะว่ายมยังเดินปัญญาอยู่ไหมแล้วก็เดินถูกทางไหมเพราะว่ามันเป็นการเดินปัญญาเนี่ยนะการเดินปัญญาเนี่ยจิตไม่เดินตลอดเวลามันจะต้องพักเป็นช่วงๆตอนนี้ไม่เดินปัญญาตอนนี้ใจมันพักเนอะ ให้มั น, มนพักไปมันเหนื่อยแล้วมันจะพักมันเหนื่อยใช่ใช่มันเห็นอะไรเกิดมันเห็นนะคะหลวงพ่อแต่มันเห็นแล้วมันเฉยเฉยอ่ามันมันไม่มีแรงพอนะจิตมันพักผ่อนก็แค่เห็นว่ามันพักผ่อนอยู่มันเหนื่อยเหนื่อยแค่รู้นะไม่ว่ามันเราจะให้เดินปัญญาตลอดเวลานะมันก็เหมือนเราไปบังคับนักเรียนสักคนหนึ่งบังคับเด็กอะเรียนตลอดเวลาเรียนในชั้นเรียนแล้วก็ไปเรียนพิเศษแห่งที่หนึ่งแห่ง、um、ท、yeah、ี่สองแห่งที่สาม แล้วก็หลับนในรถมาถึงบ้า น, นขึ้นไปนอนตื่นเช้าก็ไปเรียนอย่างนั้นไม่ไหวฉ ะ, อะนั้นเราไม่ได้บังคับมันว่าต้องเจริญปัญญาตลอดเวลาเรามาตอนนี้จิตมันเจริญปัญญามาช่วงหนึ่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยไปก็รู้ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยก็แค่รู้ไปทำใจให้สบายเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่รีบร้อนที่จะเจริญปัญญาถ้ารีบร้อนแล้วยิ่งชา้า กราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะอ่ะได้อีกสักคนสองคนเบอร์ร้อยแปดกราบน้ำมศการค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันมีแรงมากขึ้นแต่เหมือนมันติดกดข่มอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่น่าต่อไปร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ข้างหลังแกรบาบน้ำมศการหลวงพ่อคะ่ะมาเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่ายัางเพ่งและประคองอยู่ อยากจะเรียนถามพ่อว่าขนาดเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกค่ะใจมันโปร่งโล่งเบาขึ้นใจมันคล่องแคล่วว่องไวขึ้นดีขึ้นอยากจะเรียนถามท่านว่าหลวงได้เข้าทางเป็นผู้รู้ผู้ดูมั้งหรือยังคะเป็นสิทำไมจะไม่เป็นลายถ้าเราเลิกเป็นผู้เพ่งกันเลิกเป็นผู้เผลอเราก็เป็นผู้รู้แหละแต่บอกดิตัวเองจะไม่ค่อยได้นั่งสมาธิอะค่ะไม่เป็นไรไหมคะไปเดินจงกรมแทนก็ได้นะหรือไปทำงานบ้านก็ได้ ทำงานบ้านอย่างกวาดบ้านไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูอะไรเงี้ยพอใจมันไหลาย แ, บบแลวบเราก็เห็ น, นของคุณจริงๆดูจิตไปเลยก็ได้ดูจิตได้ชัดแต่ว่าอย่าเพ่งจิตนะตอนนี้เพ่งจิตรู้สึกแปลกไปกดไหมค่ะอย่า ก, กดสิถ้ากดแล้วแน่นถ้าแน่นแน่นแสดงว่าเพ่งแน่นตอนนี้เลยค่ะเออนะก็เพ่ง <laughs> เพ่งปึ๊กตะกี้นี่แหละค่ะค่ะก็ <laughs> ตอนนี้หนูหลุดดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้ว <laughs> ใช่ไหมพัฒนาขึ้นเยอะเลย ขอบคุณค่ะเจ็ดสิบหนึ่งเนี่ยนักปฏิบัติน่าไม่ส่งการบ้านนานารัศกาลหลวงพ่อค่ะ อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำพี่ค่ะไม่แนะนำเราเลยเหรอไ<ม>เราหน้าหน้าแนะนำมากเลย <c oughs> จิตเป็นอยังไงตื่นเต้นค่ะแล้วยังไงอีกกลูอะค่ะเออแล้วมีอะไรอีกรู้สึกไหมมีความมัวมัวมันไม่แจ่มใสร้อยเปอร์เซนต์ดูออกไหม เหนื่อยเหนื่อยเฉยเฉยรู้ออกไหมเออไปรู้เอานะเอาให้พี่บ้างกลับนวัตสการหลวงพ่อครับครับก็เพิ่งมาครั้งที่สองครับเราไม่ทราบว่าจะปฏิบัติยังไงครับปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากนะเราลืมคำว่าปฏิบัติเสียเราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนในใจเราไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ก็พอแล้วครับ แล้วตามดูกายหรือ ing, ดูใจย、pues、ังไงดูใจไปดูใจไปนะครับร้อยสามสิบมรดกการหลวงพ่อนะครับมาครั้งแรกครับเพิ่งปฏิบัติได้ประมาณสามเดือนกับสิบกว่าวันเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นอย่างมากครับหลวงพ่อภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะนะใจมันเริ่มค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วอยากอยากทราบสวัสดีว่าทำที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับหลวงพ่อครับคือตอนเย็นตอนสี่โมงเย็น พ, พูดดังนิดเดียวตอนสี่โมงเย็นนะครับ เ, ออเดินจงกรมแล้วก็ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยมีแต่หลงสั้นหลงยาวตามปกติแหละครับแล้วก็นึกถึงคำหลวงพ่อที่บอกว่าช่างมันนะครับไอตัวคิดเนี่ยช่างมันเนี่ยมันคิดไปนะครับก็วางใจไว้แบบนั้นแล้วอยู่ๆเนี่ยจิตมันก็ค่อยๆสงบเย็นนะครับหลวงพ่อแล้วก็มันเหมือนกับจิตยิ้มได้นะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็รู้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะขยับเคลื่อนไหวหยุดนิ่งนะครับจะกระทั่งแม้แต่เดินไปรับโทรศัพท์นะครับก็เหมือนเห็นว่าร่างกายนั้นเนี่ยเป็นคนพูดโทรศัพท์กระทั่งคำพูดนั้นเนี่ยก็เราเพียงแต่ดูอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็มันติดอยู่สภาวะแบบนั้นอยู่จนถึงประมาณตีสองนะครับหลวงพ่อครับจะหลับไปแล้วก็ ตอนเช้าก็ยังคงความรู้สึกนั้นอยู่นะครับ <ừ> อ, อยากท ร, บราบหลวงพ่อว่าผมจะเดินไปยังไงดีครับภาวนาไปอย่างนี้แหละนะยังไม่เกิดมรรคผลหรอกนะแต่ว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิอกบานมันเบิกบานนึกออกแล้วใช่ไหมมันมีความสุขขึ้นมาได้จริงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วขันมันจะแยกออกไปเราเห็นร่างกายมันทำงานเห็นปากมันอ้าบง่าบง่าบเห็นความคิดไหลขึ้นมาเอง ไม่ใช่เราคิดแล้วความคิดมันไหลเห็นขันมันทำงานไปเรืว่อยถัดจากนี้ก็คือดูเขาทำงานไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาคุณตัว น, นี้ติดนิ่งๆว่างๆอยู่นิดหนึง่งดูออกไหมไม่ค่อยออ ก, อกครับหลวงพ่อครับรู้สึกไหมจิตตนนัวนี้นิ่งๆตอนนี้ตอนนี้เป็นครั บ, รบต้องไม่เอาเลยตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ไม่ดีนิ่งๆว่างๆโล่งๆเลยไม่เอาออกมารู้กายมารู้ใจใหเห็นกิเลสแล้วดีกว่าเห็นว่างๆซะอีกอย่าให้ติดตัวนี้นะ อ่ะต่อไปเชิญกลับบ้าน